2. มหาพละสูตรว่าด้วยการเจริญอิธิบาทมีพลานิสงมากภิกษุทั้งหลายอิธิบาสี่ประการนี้ที่พิกสุเจริ ญ, ท ำ, รร ท, รญรทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงมากอิธิบาสประการที่พิกสุเจริญอย่างไรทำให้มากแล้อย่างไรจึงมีผลมากมีอนิสงมากคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้หนึ่ง เจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิประธานสังขารดังนี้ว่าฉันทะของเราจากไม่ย่อหย่อนนักไม่ต้องประคับประคองเกินไปไม่หดหูในภายในไม่ส่านไปในภายนอกและมีความหมายรู้ว่าเบื้องหน้าและเบื้องหลังอยู่คือมีความหมายรู้ว่าเบื้องหลังเหมือนเบื้องหน้าเบื้องหน้าเหมือนเบื้องหลังเบื้องบนเหมือนเบื้องล่างเบื้องล่างเหมือนเบื้องบน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 ไม่มีเครื่องร้อยรัดอบรมจิตให้สว่างอยู่ภิกษุทั้งหลายอิทิบาสีประการที่พิกษุเจริญอย่างนี้แหลททำให้มากแล้วอย่างนี้จึงมีผลมากมีอนิสงมากภิกษุทั้งหลายเมื่ออิทิบาสีประการที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แหลททำให้มากแล้วอย่างนี้นมม ภ, ออ ภ, นนภิกษุย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้ละถึง ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรโมโลกก็ได้ภิกษุทั้งหลายเมื่ออิทิบาสีประการนี้ที่พิกษุเจริญอย่างนี้แลททำให้มากแล้วอย่างนี้ภิกษุจึงทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันมหาภะสูตรที่สองจบ ฉันทะสมาธิสูตรว่าด้วยฉันทะสมาธิภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุอาศัยฉันทะแล้วได้สมาธิได้จิตเตกขตาสภาวะที่จิตมีอารมณ์เดียวนี้เรียกว่าฉันทะสมาธิหนึ่งเธอสร้างฉันทะพยายามปราลบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอากุโสธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น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 เพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพิญโยภาพไพ่บู์เจริญเต็มที่แห่งคุณธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเหล่านี้เรียกว่าประธานสังขารชันทะนี้ชันทะสมาธินี้และประธานสังขารเหล่านี้ดังพรนานามาชนี้นี้เรียกว่าอิธิบาที่ประกอบด้วยชันทะสมาธิประธานสังขารภิกษุทั้งหลาย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 เพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพิญโยภาพภัยบู์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเหล่านี้เรียกว่าประธานสังขารวิรยิยะนี้วิริยะสมาธินี้และประธานสังขารเหล่านี้ดังพรนานามาชนินี้เรียกว่าอิธิบาที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขารภิกษุทั้งหลาย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 พินโยภาพไพบูนเจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเหล่านี้เรียกว่าประธานสังขารจิตนี้จิตตสมาธินี้และประธานสังขารเหล่านี้ดังพรนานามาชนินี้เรียกว่าอิธิบา ท, ที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิประธานสังขารภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุอาศัยวิมังสาแล้วได้สมาธิได้จิตเตกคตา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 เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเหล่านี้เรียกว่าประธานนสังขารวิมังสานี้วิมังสาสมาธินี้และประธานสังขารเหล่านี้ดังพันานามาเชนีนี้เรียกว่าอิทิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารชั้นท่สมาธิสูตรที่สจบ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 พูดพร่ำเพื่อหลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตกวัดแกว่งไม่สำรวมอินทรีย์ไปเถิดโมคลานะเธอจงทำภิกษุเหล่านั้นให้สังเวช ท, ท่านพระมหาโมคลานะทูลรับสนองพระดำรัสแล้วแสดงอิทาพิสังขารให้ปราสาทของนางวิสาขามิคารามาตาสะเทือนสะทานหวั่นไหวด้วยนิ้วหัวแม่เทา้าทีนั้น ภิกษุเหล่านั้นตกใจขนพองสยองกล้าวได้ไปยืนอยู่ณที่สมควรพูดกันว่าท่านผู้เจริญหน้าอัศจรรย์จิงไม่เคยปรากฏลมก็ไม่พัดทั้งปราสาทของนาวิสาขามิคารมาตานี้มีฐานลึกฝังไวนแน่นไม่วันว้ไม่โยกคลอนก็เมื่อเป็นเช่นนี้คงมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้ปราสาทนี้สะเทือนสะานวันวั ต่อมาพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเกิดความสลดใจขนพองสยองกล้าวได้ไปยืนอยู่ณที่สมควรเพราะเหตุใดภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏลมก็ไม่พัดทั้งปราสาทของนางวิสาขามิคารมาตานี้มีฐานลึก ฟังไว้นแน่นไม่หวันไหวไม่โยกคลอนก็เมื่อเป็นเช่นนี้คงมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้ปราสาทนี้สะเทือนสะทานวันไหวเป็นแน่ภิกษุทั้งหลายภิกษุโมคลานะประสงค์จะให้เธอทั้งหลายสังเวชจึงทำปราสาทของนาวิสาขาไมคารมาตาให้สะเทือนสะทานวันไหวด้วยนิ้วหัวแม่เท้าภิกษุทั้งหลาย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 ขอประธานวโรกาศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเท่านั้นที่จะทรงอธิบายเนื้อความแห่งพระพาสิทธนั้นให้แจ่มแจ้งได้ภิกษุทั้งหลายฟังต่อจากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้ภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นเธอทั้งหลายจงฟังภิกษุโมคลานะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้เพราะอิทิบาสีประการที่ภิกษุโมคลานะเจริญทาให้มากแล้ว อิธิบาสีประการอะไรบ้างคือพิกษุโมคลานะ 1. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิประธานสังขารดังนี้ว่าฉันทของเราจะไม่ย่อหย่อนและถึง 2. เจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขาร 3. าเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตะสมาธิปธานสังขาร 4.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 เพราะอธิบาตสีประการนี้ที่ภิกษุโมคลานะเจริญทำให้มากแล้วละถึงใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกอันหนึ่งภิกษุโมคลานะย่อมทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันโมคลานะสูตรที่สจบอันหนึ่ง อภิญญาทั้งหลายพึงให้พิดารอย่างนี้หาอุณพระพรามนสูตรว่าด้วยอุณพระพรามข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่งท่านพระอานนุ์อยู่นครสิตารามเขตกรุงโสัมพีครั้งนั้นพราหม์ชื่ออุณพภะเข้าไปหาท่านพระอานนุ์ถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้เรียนถามท่านพระอานนุ์ดังนี้ว่าท่านอานนุ์ท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดมเพื่อต้องการอะไร ท่านพระอานนท์ตอบว่าพราหมณ์เราประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อละฉันทะท่านอานน์มีมรรักมีปฏิปทาเพื่อละฉันทะนั้นอยู่หรือพราหมณ์มีมรรักมีปฏิปทาเพื่อละฉันทะนั้นอยู่ท่านอานน์มรรักเป็นอย่างไรปฏิปทาเพื่อละฉันทะนั้นเป็นอย่างไรพราหมณ์ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เจริญอิธ ja yes <Thank you. S 2> ิบาทที <t stars> well ่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารเจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขารเจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตะสมาธิประธานสังขารเจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารนี้แหลคือมรรคนี้คือปฏิปทาเพื่อละฉันทะนั้นท่านอา n o ์เมื่อเป็นเช่นนี้ ชันทะนั้นยังมีอยู่มิใช่ไม่มีเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลจกละชันทะด้วยชันทะนั่นเองพรามถ้าอย่างนั้นเราจะย้อนถามท่านในเรื่องนี้ท่านพึงตอบเรื่องนั้นตามที่ท่านพอใจเถิดพรามท่านจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรในเบื้องต้นท่านได้มีชันทะความพอใจว่าจะไปอารามเมื่อท่านไปถึงอารามแล้ว ชั in Jill, ้นท al ่าที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นนั้นก็ระงับไปหรืออย่างนั้นท่านผู้เจริญในเบื้องต้นท่านได้มีวิริยะความเพียรว่าจะไปอารามเมื่อท่านไปถึงอารามแล้ววิริยะที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นนั้นก็ระงับไปหรืออย่างนั้นท่านผู้เจริญในเบื้องต้นท่านได้มีจิตตะความใส่ใจว่าจะไปอารามเมื่อท่านไปถึงอารามแล้ว จิตตะที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นนั้นก็ระงับไปหรืออย่างนั้นท่านผู้เจริญในเบื้องต้นท่านได้มีวิมังสาความไตรตรองว่าจะาไปอารามเมื่อท่านไปถึงอารามแล้ววิมังสาที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นนั้นก็ระงับไปหรืออย่างนั้นท่านผู้เจริญพรามอย่างนั้นเหมือนกันภิกษุใดเป็นพระอรหันตขีนาศอยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปรงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภาวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบภิกษุนั้นในเบื้องต้นได้มีฉันทะเพื่อบรรลุอรหัตเมื่อบรรลุอรหัตแล้วฉันทะที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นนั้นก็ระงับไปในเบื้องต้นได้มีวิริยะเพื่อบรรลุอรหัตเมื่อบรรลุอรหัตแล้ว วิริยะที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นน like> ั้นก็ระงับไปในเบื้องต้นได้มีจิตตะเพื่อบรรลุอรหัตเมื่อบรรลุอรหัตแล้วจิตตะที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นนั้นก็ระงับไปในเบื้องต้นได้มีวิมังสาเพื่อบรรลุอรหัตเมื่อบรรลุอรหัตแล้ววิมังสาที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นนั้นก็ระงับไปพราหมณ์ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นดังที่กล่าวมานี้ ฉันทะเป็นต้นนั้นยังมีอยู่หรือมิใช่ไม่มีท่านอานอนนเมื่อเป็นเช่นนี้ชันทะเป็นต้นนั้นยังมีอยู่แน่นอนมิใช่ไม่มีท่านอานอนนพาสิตธิของท่านชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านอานนนพาสิทธิของท่านชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านประกาศทมแจมแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลไของที่ควา่าเปิดของที่ปิด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 ปฐมมะพราหมณสูตรว่าด้วยสมณพราหมณ์สูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการได้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็เพราะอิธิบาสีประการที่สมณะหรือพรามเหล่านั้นทั้งหมดเจริญทําให้มากแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตการจากมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมาก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 ย่อมมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็เพราะอิทิบาสีประการนี้ที่สมณะหรือพรามเหล่านั้นทั้งหมดเจริญทำให้มากแล้วปฐมมะพรามน ส, สูที่6จบเจ็ด ทุติยภาพนสูตรว่าด้วยสมณพรามสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการได้แสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้แสดงให้ปรากฏหรือให้หายไปก็ไดทะลุฝ้ากำแพงและภูเขาไปไดไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได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 ที่สมณะหรือพรามเหล่านั้นทั้งหมดเจริญทาให้มากแล้วภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตการจากแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้แสดงให้ปรากฏหรือให้หายไปก็ได้ทะลุฟากาแพงและภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้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 เดินบนน้ำโดยที่น้ำไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้นั่งขัดสมาธิเหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้ใช้ฝ่ามือรูปคลาดวงจันดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้อิธิบาสีประการอะไรบ้างคือพิสุในธรรมวินัยนี้หนึ่ง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 ได้แสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้และถึงใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้ก็เพราะอิธิบาสีประการ น, นี้ที่สมณะหรือพรามเหล่านั้นทั้งหมดเจริญทำให้มากแล้วภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตการจากแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้ละถึง ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงโพรหมโลกก็ได้ก็เพราะอิธิบาทสีประการนี้ที่สมณะหรือพรามเหล่านั้นทั้งหมดเจริญทาให้มากแล้วภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันนัการย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้ละถึงใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหโมโลกก็ได้ก็เพราะอธิบาศสีประการนี้ ที่สมณะหรือพรามเหล่านั้นทั้งหมดเจริญทำให้มากแล้วทุติยพรามนสูตรที่7จ็จบ 8. ภิพิุสูตรว่าด้วยเหตุที่ทำให้พิกสุได้วิมุตติ ภิกษุทั้งหลายภิกษุทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเพราะอิทิบาสีประการนี้ที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วอิทิบาสีประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญอิทธิบา ท, ที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขาร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 เพราะอิธิบาสีประการนี้ที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วภิกขุสูตรที่8จบ 9. อิทาทิเทศนาสูตรว่าด้วยการแสดงอิทธิริษเป็นต้น ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอิธิอิธิบาทอิทธิบาทภาวนาและปฏิปทาที่ถึงอิธิบาทภาวนาแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังอิทธิเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้ละถึง ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรโมโลกก็ได้นี้เรียกว่าอิทิอิทิบาทเป็นอย่างไรคือมักใดปฏิปทาใดเป็นไปเพื่อได้ริษเพื่อได้เฉพาะซึ่งริษนี้เรียกว่าอิทิบาทอิทิบาทภาวนาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ 1. เจริญอิทิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขาร 2.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 วิพังขสูตรว่าด้วยการจำแนกอิธิบาตพิกษุทั้งหลายอิธิบาตสีประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วมีผลมากมีอนิสง ม, มากอิธิบาต4ีประการที่บุคคลเจริญอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอนิสง ม, มากคือพิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้หนึ่ง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 วิมังษา ข, ของเราจะไม่ย่อหย่อนนักไม่ต้องประคับประคองเกินไปไม่หดหูในภายในไม่สร้างไปในภายนอกและมีความหมายรู้ว่าเบื Stock ้องหน้าและเบื้องหลังอยู่เคยมีความหมายรู้ว่าเบ like to ื้องหลังเหมือนเบื้องหน้าเบื้องหน้าเหมือนเบื้องหลังเบื้องบนเหมือนเบื้องล่างเบื้องล่างเหมือนเบื้องบนกลางคืนเหมือนกลางวันกลางวันเหมือนกลางคืน มีใจสงัดไม่มีเครื่องร้อยรัดอบรมจิตให้สว <verdade> ่างอยู่ชันทะที่ย่อหย่อนนักเป็นอย่างไรคือชันทะที่สหรคด้วยความเกียรคร้านสัมปยุทธ์ด้วยความเกียรคร้านนี้เรียกว่าชันทะที่ย่อหย่อนนักชันทะที่ต้องประคับประคองเกินไปเป็นอย่างไรคือชันทะที่สหรคด้วยอุทจจะสัมปยุทธ์ด้วยอุทจจะนี้เรียกว่า ชันทะที่ต้องประคับประคองเกินไปชั้นทะที่หดหูในภายในเป็นอย่างไรคือชันทะที่สหรคตด้วยถีนามิทะสมประยุทธ์ด้วยถีนามิทะนี้เรียกว่าชั้นทะที่หดหูในภายในชันทะที่สร้างไปในภายนอกเป็นอย่างไรคือชั้นทะที่สร้างไปฟุ้งไปปรารภกามคุณห้าประการในภายนอกนี้เรียกว่า ชันทะที่ร้านไปในภายนอกภิกษุมีความหมายรู้ว่าเบื้องหน้าและเบื้องหลังอยู่คือมีความหมายรู้ว่าเบื้องหลังเหมือนเบื้องหน้าเบื้องหน้าเหมือนเบื้องหลังเป็นอย่างไรคือความหมายรู้ว่าเบื้องหน้าและเบื้องหลังอันภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้เรียนดีใส่ใจดีทรงจำดีรู้แจ้งดีแล้วด้วยปัญญาภิกษุชื่อว่า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 เหื่อมันขน้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดภิกษุชื่อว่ามีความหมายรู้ว่าเบื้องบนเหมือนเบื้องล่างเบื้องล่างเหมือนเบื้องบนอยู่เป็นอย่างนี้แลภิกษุมีความหมายรู้ว่ากลางคืนเหมือนกลางวันกลางวันเหมือนกลางคืนอยู่เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้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 ภิกษุเจริญอิทธิบาทที studying, shuffle, anyway ่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารในกลางคืนด้วยอาการเหล่าใดด้วยเพศเหล่าใดด้วยนิมิตเหล่าใดเธอก็เจริญอิทิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารในกลางวันด้วยอาการเหล่านั้นด้วยเพศเหล่านั้นด้วยนิมิตเหล่านั้นภิกษุชื่อว่ามีความหมายรู้ว่ากลางคืนเหมือนกลางวันกลางวันเหมือนกลางคืนอยู่ เป็นอย่างนี้แลภิสษุมีใจสงัดไม่มีเครื่องร้อยรัดอบรมจิตให้สว่างอยู่เป็นอย่างไรคืออะโลกะสัญญาความหมายรู้แสงสว่างอันภิสษุในธรรมวินัยนี้เรียนไว้ดีความหมายรู้ว่ากลางวันตั้งมั่นดีภิสษุชื่อว่ามีใจสงัดไม่มีเครื่องร้อยรัดอบรมจิตให้สว่างอยู่เป็นอย่างนี้แล วิริยะที่ย่อหย่อนนักเป็นอย่างไรคือวิริยะที่สหรกรดด้วยความเกียคร้านสัมปยุทธด้วยความเกียคร้านนี้เรียกว่าวิริยะที่ย่อหย่อนนักวิริยะที่ต้องประคับประคองเกินไปเป็นอย่างไรคือวิริยะที่สหรคตด้วยอุทจจะสัมปยุทธด้วยอุทัจจะนี้เรียกว่าวิริยะที่ต้องประคับประคองเกินไป วิริยะที this this Actually, like ่หดหูในภายในเป็นอย่างไรคือวิริยะที่สหรคตด้วยถีนะมิทะสมประยุทธ์ด้วยถีนมิทะนี้เรียกว่าวิริยะที่หดหูในภายในวิริยะที่ร้านไปในภายนอกเป็นอย่างไรคือวิริยะที่ร้านไปฟุ้งไปปรารบกามคุณห้าประการในภายนอกนี้เรียกว่าวิริยะที่ร้านไปในภายนอกละถึง ภิกษุชื่อว่ามีใจสงัดไม่มีเครื่องร้อยรัดอบรมจิตให้สว่างอยู่เป็นอย่างนี้แลจิตที่ย่อหย่อนนักเป็นอย่างไรคือจิตที่สหรคตด้วยความเกียคร้านสัมปยุทธ์ด้วยความเกียคร้านนี้เรียกว่าจิตที่ย่อหย่อนนักจิตที่ต้องประคับประคองเกินไปเป็นอย่างไรคือจิตที่สหระคตด้วยอุทจจะสัมปยุทธ์ด้วยอุทจจะนี้เรียกว่า จิตที่ต้องประคับประคองเกินไปจิตที่หดหูในภายในเป็นอย่างไรคือจิตที่สหรคตด้วยถีนมิทะสำประยุทธ์ด้วยถีนมิทะนี้เรียกว่าจิตที่หดหูในภายในจิตที่สร้างไปในภายนอกเป็นอย่างไรคือจิตที่สร้างไปฟุ้งไปปรารบกรามคุณห้าประการในภายนอกนี้เรียกว่าจิตที่สร้างไปในภายนอกและถึง ภิกษุชื่อว่ามีใจสงัดไม่มีเครื่องร้อยรัดอบรมจิตให้สว่างอยู่เป็นอย่างนี้แลวิมังสาที่ย่อหย่อนนักเป็นอย่างไรคือวิมังสาที่สรคดด้วยความเกียดคร้านสัมพยุตด้วยความเกียรคร้านนี้เรียกว่าวิมังสาที่ย่อหย่อนนักวิมังสาที่ต้องประคับประคองเกินไปเป็นอย่างไรคือวิมังสาที่สหรคดด้วยอุทัจจะ สัมปยุตด้วยอุทจจะนิเรียกว่าวิมังสาที่ต้องประคับประคองเกินไปวิมังสาที่โคตรหูในภายในเป็นอย่างไรคือวิมังสาที่สหรคตด้วยถีนมิทะสัมปยุตด้วยถีนมิทะนี้เรียกว่าวิมังสาที่โคตรหูในภายในวิมังสาที่สร้างไปในภายนอกเป็นอย่างไรคือวิมังสาที่สร้างไปฟุ้งไป ปรารพกามคุณห้าประการในภายนอกนี้เรียกว่าวิมังสาที่สร้างไปในภายนอกละถึงภิกษุชื่อว่ามีใจสงดไม่มีเครื่องร้อยรัดอบรมจิตให้สว่างอยู่เป็นอย่างนี้แหลภิกษุทั้งหลายอิธิบาสีประการที่บุคคลเจริญอย่างนี้แหลททำให้มากแล้วอย่างนี้จึงมีผลมากมีอนิสงมากภิกษุทั้งหลาย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 อันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันวิพังข้สูตรที่10จบแม้อภิญญาทั้งหก็พึงให้พิสดารปาสาธกกรรัมปะนะวัคที่สองจบ รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ปุกพระสูตร 2. มหาพละสูตร 3. ชันทสมาธิสูตร 4. ่โมคลานะสูตร 5. อุณาพะพรามณสูตร 6. ปฐมมะพรามณสูตร 7. ทุติยะพรามณสูตร 8. ภพิขุสูตร 9. อิทาธิเทสนาสูตร 10. วิพังคสูตร